กมว aja าาให้อุปสมบทข้อ72ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าผู้นี้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปิกขะของท่านผู้มีชื่อนี้ผู้มีชื่อนี้ขออุปสมบทต่อสงถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงให้ผู้มีชื่อนี้อุปสมบทมีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชานี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า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 แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาข้าพเจ้ากล่าวความนี้ผู้มีชื่อนี้ทรงให้อุปสมบทแล้วมีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชาทรงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้